พระบัญญัติเจ็ก็ภิกษุณีใดกล่าวอย่างนี้ว่าชายผู้นั้นจะกําหนดหรือไม่กําหนดก็ตามก็ทําอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านไม่กําหนดนิมนต์เถิดแม่เจ้าชายผู้นี้จะถวายสิ่งใดจะเป็นของเคี้ยวหรือของฉันก็ตามท่านจงรับประเค้นของนั้นด้วยมือของตนเองแล้วเคี้ยวหรือฉันเถิดดังนี้แม้ภิกษุณีนี้ต้องทําคือสังฆทิเศต ที่ชื่อว่าปัทมาปฏิกะนิสรณีิยะเรื่องพิกษุณีสุนทรีนันทาจบ